ท่านสาวทุกชนทั้งหลายาเพวกเราคงทราบดีนะพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยมันมีการเริ่มต้นแล้วก็การสิ้นสุดเมื่อเราเกิดมานะเราก็ปรารถนาให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขนะมีความเจริญงอกงามแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้คิดถึงปลายทางของชีวิตเท่าไหร่ เรามักคิดถึงแต่จุดหมายชีวิตและเราก็พยายามที่จะดิ้นรนขนไควไต่เต้าให้ถึงจุดหมายซึ่งมักจะวางไว้สูงทั้งชีวิตเนี่ยเราใช้ไปเพื่อการบรรลุถึงจุดหมายชีวิตแต่น้อยคนนะที่จะระลึกถึงปลายทางชีวิตจุดหมายชีวิตเนี่ยเรา อาจจะไปไม่ถึงนะสำหรับคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเพราะตั้งไว้สูงเกินไปแต่ปลายทางชีวิตเนี่ยเราทุกคนต้องเจอแต่ครนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตว่าชีวิตนี้มันไม่ได้มีแค่จุดหมายแต่มันมีปลายทางด้วยและมาถึงเวลาที่ เรามาถึงปลายทางชีวิตเนี่ยเรามีความพร้อมเราก็สามารถจ ะ, ะเผชิญกับปลายทางชีวิตได้ด้วยใจที่สงบอาตมาคิดว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะร่ำรวยไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะประสบความสําเร็จ ในการงานหรือว่ามีปริญญากี่ใบก็แล้วแต่ช่วงสําคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็คือช่วงที่ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันกําลังจะสิ้นสุดขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็อยู่อย่างมีคุณค่าและเมื่อถึงเวลาที่เราจะตายก็คุณจะตายอย่างสงบไม่ว่าก่อนที่เราจะตายนั้นเนี่ย จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเช่นความเจ็บความป่วยนะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเจอกับความเจ็บความป่วยอยู่แล้วก่อนที่จะสิ้นลงนะคือไม่ได้ตายแบบปลุกปรับไม่ได้ตายเพราะอุปัติเหตุไม่ได้ตายเพราะเครื่องบินตกแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติซึ่งมันเกิดแบบไม่ทันตั้งตัว 90% คนส่วนใหญ่ก็ ต้องเจ็บป่วยนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะต้องเป็นความเจ็บป่วยที่ยึดเยอะก่อนที่จะสิ้นลมอันนี้เมื่อเรารู้แนะ่เราเร า, เราจะต้องตายเนี่ยจะต้องนึกถึงการตายดีไม่ใช่แค่อยู่ดีเท่านั้นตายดีเนี่ยในทางพุทธศาสนา ก, ก็คือตายอย่างสงบนะ ตายด้วยจิตใจที่มีสติไม่ทุรนทุรายและพวกเราซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอาตราเช่อเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะนอกจากการช่วยทำให้เขาอยู่รอดกลับมาเป็นปกติสุขแล้วเนี่ยสำหรับกรณีที่ เขาอยู่ในการหนักสุดวิสัยที่เราจะช่วยให้เขาอยู่รอดได้ก็ควรจะช่วยให้เขาจากไปอย่า ง, งสงบอย่าไปคิดว่าความตายของคนไข้ที่เราดูแลมันคือความให้แพ้ในทางวิชาชีพยังมีคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยมีความคิดแบบนี้นะว่าถ้าคนไข้ตายในมือเราแสดงว่าเราล้มเหลว ในทางวิชาชีพแต่ตามาี่้วยสิงสำคัญคือว่าหากว่าเขาจะต้องตายเพราะว่าโรคภัยเขาเจ็บของเขาเนี่ยมันเกินการการเ ย, ออยียวยารักษาการช่วยเขาไปอย่างสงบเป็นหน้าที่ของเราแต่ถ้าว่าเขาไปอย่างสงบได้เนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จในทางวิชาชีพด้วยน่าจะเป็นหมอพยาบาลและเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องจากโรงพยาบาลไปก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันจะดับไปเนี่ยเราก็ควรที่จะมีความพร้อมสามารถจะทำให้จิตใจของเราเนี่ย พบกับความสงบได้ก่อนลมอายใจสุดท้ายนี่จะดับไปความสงบก่อนตายหรือการตายสงบเนี่ยมีค่ามากนะในยางที่เราสุขสบายดีเราจะไม่ได้รึกว่ามีความสาคัญอย่างไรแต่ในยางที่เราเจ็บป่วยแล้ว เ, เจ็บป่วยด้วยโรครายถึงตอนนั้นเนี่ยอาตมาเชื่อว่า ส่วนใหญ่เลยนะการตายสงบไม่ทุรนทุรายเนี่ยก็คือจุดหมายสูงสุดสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับเขาแต่การตายสงบนเนี่ยมันไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะซื้อได้ มีเงินมาหาสารเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้มีความรู้มากมายปริญญาหลายใบก็ไม่สามารถจะเป็นหลักประกันว่าเราจะตายสงบได้นะครับมีอำนาจมีบริษัทบริวารมากแค่ไหนก็ไม่ช่วยให้ตายสงบได้เลยฉะถ้าจะตายสงบเนี่ยนะสิ่งสำคัญก็คือคุณภาพของใจ ซึ่งก็สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตนะก่อนที่จะเจ็บป่วยก่อนที่จะมาถึงวาระสุดท้ายอะไรทําให้การตายสงบนะเกิดขึ้นได้ยากสำหรับคนจำนวนมากเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาเหตุความเจ็บป่วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตาย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตายที่ไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าก่อนตายมีใครแวดล้อมบ้างแต่มันขึ้นอยู่กับใจคุณภาพของใจอะไรทำให้การตายสงบเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยอันแรกก็คือหนึ่งความกลัวอันที่สองความโกรธอันที่สามเนี่ย ความโงหาอะไรอันที่สี่ความรู้สึกผิดสี่ประการเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญนะฮะที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยตายไม่สงบนะก่อนตายก็ทุรนทุรายนะแม้ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีเพียบพร้อมนะเครื่องคราวมากมายแม้จะอัด ยาละยาระ ง, งับปวดเข้าไปให้กับคนไข้นะจนเต็มโดสนะแต่ก็ยังแต่ตราบใดที่ยังมีไอความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยตายสงบได้ยากนะฮะเราจะพบว่าคนไข้จำนวนไม่น้อยเนี่ยเนะขาเกิการทุรนทุรายทั้งๆ ท, ที่เราก็ให้ยาระ ง, งับปวดเข้าไปเต็มที่นะนะแต่ก็ยังมีการกระสรับกระส่าย บางทีเขาหยุดสงบได้สักสิบห้านาทีแล้วเขากระสับกระส่ายไปอันนั้นอาจจะไม่ใช่เพราะเขาปวด น, นะฮะแต่เป็นเพราะเขามีอะไรที่ค้างขาดใจหลายคนทั้งๆ ท, ท, ที่เขาร่างกายเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วร่างกายเขาพร้อมจะแตกตักเต็มที่แล้วแต่เขาไม่ยอมตายตาเขาค้างเบิกกว้างทั้งที่หมอเนี่ย ดูอาการทางกายภาพแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะอยู่ได้หัวใจตับปอดนะความดันเนี่ยมันแย่หมดแล้วแต่ทำไมตาเขาค้างครเขาไม่ยอมตายเขามีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำเช่นเขาอาจจะมีความรู้สึกผิดเขาอยากจะขอโทษใครบางคน แล้วเขายัางไม่ยอมตายจนกว่าเขาจะได้ขอโทษบางคนตายแล้วตาก็ค้างปิดเท่าไหร่ก็ไม่สนิทแล้วก่อนตายเขาก็มีอาการทุรนทุรายเพราะอะไรฮะเพรากเขาอาจจะอยังห่วงลูกห่วงภรรยาห่วงสามีบางคนก็มีอาการกระสับกระส่ายนะทั้งที่ก็ ให้ยาการเยียวยาเต็มที่บางทีก็อาจจะเปิดเทพธรรมะเปิดเทพพระสวดมนต์ให้ฟังด้วยสามเพราะคนป่วยเนี่ยเขาเป็นคนธรรมะทรรมโมงแต่เขาก็ยังไม่หยุดกระสับกระส่ายเพราะอะไรนะเพราะเขาอาจจะยังห่วงงาน ยังมีงานบางอย่างที่คาอยู่อย่างมีคุณลงคนหนึ่งซึ่งแกเป็นคนที่เจ้ากิจเจ้าการชอบพาคนไปทอดพระป่าทอดกรถินเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารตามวัดในชนบทที่ไกลไ<ๆ>กลถ้าทำกันมาสิบปีแล้วหนึ่งพวกตัวเองเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลุกลามเร็วมากระยะท้ายเนี่ยก็ มีาการกระสับกระสายรูปหลานเหงเป็นพ่อเป็นคนธรรมธรมโมนะที่ว่าถ้าให้ฟังเทพธรรมะพระสนมนจะสงบแต่ทำแล้วก็ไม่สงบแนปะลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยก็ไปประสิบที่ข้างหู ว, ว่าไอ้โบที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่ต้องห่วงนะเพราะเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จ พูดท่านี้แหละแกสงบเลยแปลว่าอะไรเพราะสิ่งที่ได้ยินเนี่ยมันไปกระทบใจมันทําให้เจ้าตัวรู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับยกภูเขาออกจากโอกเพราะว่าอาจจะเคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้ายังสร้างโบสถไม่เสร็จตายไม่ได้ดังนั้นพอจะตายขึ้นมามันมีอาการต่อสู้ขัดขืนห่วงนะห่วงโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จพรพือ่อพอมีเพื่อนมาพูดแบบนี้เข้านะ มันก็ว่าใจสบายโล่งอกแล้วก็ตายสงบบางคนก็จะมีการเวียงบินนะกับหมอกับพยาบาลไม่ว่าพยาบาลหมอจะพูดอย่างไรแกก็ก้าวร้าวใสพ่พยาบาลกับหมออาจเป็นเพราะว่าจะรู้สึกโกรน นะโกรธชตากรรมโกรธอะไรต่ออะไรอย่างเพราะว่าแกเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารสุขภาพสปูรสไปรูไ ร, รน่าโคคิเทนอะไรที่เขาว่าดีเป็นต่อต้านนั้นแอนตี้ออกซิแดนต์นะแกก็ไปซื้อมาราคาแพง่ไหแกก็ไป อาหารกินอาหารสุขภาพออร์แกนิกอาหารชีวจิตแต่ก็ไปหามาไปทำมาสแกนร่างกายสัดูตวตรวจสุขภาพเป็นประจำดูแลสุขภาพย่างีบอกว่าเป็นมะเร็งแค้นมากโกรธมากสุว ม, มันก็ถูกถูกหักหลังหรือว่าถูกถูกโกโกหกไอคนสูบบุหรี่กินเหล้ามันไม่เป็นนะู่เป็นโกรธมากนะ ในใจก็ถึงมันไม่แฟรมันไม่เป็นธรรมอย่างนี้ก็ตายไม่สงบนะฮะบางคนนะก็มีอาการกระสรับกระส่ายนะทั้งที่หมอบอหมอโคม่าแล้วสมองตายแต่เวลาแม่มาทีไรแม่มาเยี่ยมทีไรก็จะมีน้าตาไหลแล้วก็อาการทางกายก็ไม่ค่อยดีกระตุกกระตุกเมื่อวิเคราะห์ สืบสาวก็พบว่าเขาเคยรับปากแม่ว่าถ้าจบปริญญาโทแล้วเนี่ยจะช่วยดูแลน้องหาเงินมาส่งเสียน้องอันนี้จบมาได้ไม่กี่เดือนไปกับอุบัติเหตุรถชนต้นไม้สมองตายเวลาแม่มาเยี่ยมก็จะร้องไห้ คนอื่นไม่ร้องนะฮะคนอื่นมาเยือนี่ไม่ร้องพอแม่บอกว่าเนี่ยบอกรว่วแม่จะดูแลค่ารอเรือนของน้องให้ลูกไม่ต้องห่วงนะน้ำตาก็หยุดไหลแล้วไม่นานไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จากไปอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะว่า การที่คนเราเนี่ยตายไม่สงบนะมันเป็นเพราะมีอาระมณ์อกุศลเกิดขึ้นความกลัวความโกรธความห่วงหาอะไรความรู้สึกผิดความเจ็บปวดก็มีส่วนหนั่นกันนะพะความเจ็บปวด มันก็สามารถทายคนไข้ทุรนทุรายได้โดยเพราะเมื่อความเจ็บป่วยนั้นเนี่ยความเจ็บป่วดนั้นเนี่ยยาระงะับปวดเอาไม่อยู่เช่นมอร์ฟีนเนี่ยแล้วก็คงเห็นบ่อยนะคนไข้ที่เขาร่ําร้องขอยาทั้งที่ก็ให้เข้าไปเต็มโดสแล้วนะแต่ก็อย่างที่ธรรมาบอกนะัคือจํานวนไม่น้อยเนี่ยนะแม้จะให้ยาเข้าไปเต็มที่เขาก็ ก, ก็มีอาการทุรนทุรายนะ เาก็มีอาการกระสรับกระสายมีอาการเบียงวีนนะเพราะมีปัญหาในใจนั้นถ้าจะทำให้ผู้ป่วยตายสงบนะหรือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยท่าตายสงบได้เนี่ยนะมันก็ต้องมีวิใจิตเจตการกับอารมณ์เหล่านี้พระพุทธองค์เนี่ย ท่านได้ทรงมีโอกาสนะนำทางผู้ใกล้ตายหลายคนเนะี่ยแล้วก็มีเรื่องเราบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและวิธีการหนึ่งที่พระองค์ใช้บ่อยนะฮะก็คือการน้อมใจผู้ป่วยเนี่ยให้เราลึกถึงพระตนัตรตรซึ่งความหมายคือปลูกศรัทธาให้มีขึ้นนะ คนที่พงไปนำทางก็ปพปผู้มีศรัทธานในพระรัตนตรัยพระองค์ก็ปลูกศรัทธาให้หรือน้อมใจให้ศรัทธานี้บังเกิดขึ้นรวมท้ให้ระลึกถึงความดีที่ได้ทาแล้วก็นำจิตให้ปล่อยวางปล่อยวางทรัพย์สมบัติปล่อยวางคนรักต้องเรียกว่าปล่อยวางทุกอย่างนะแม้กระทั่ง สุขติพบที่รออยู่ข้างหน้าจะไปไหนไปที่ไหนก็ไม่ต้องไปกังวลหรือพะวงอันนี้ก็สามารถนำมาเป็นแนวทางนะในการที่จะช่วยทําให้เราเองหรือคนที่เรารักนะเขาจางไปสงบได้ก็คือเมื่อจะตายเนี่ยเรานึกถึงความดีที่เราได้ทำนะรวมทั้งนึกถึงสิ่งที่เราสัทธานับถือ มันจะช่วยระ ง, งับอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นในใจได้เช่นกลัวหลายคนมีความกลัวกลัวว่าจะไปอบายนะหรือว่ากลัวว่านะจะไปตกนรกหลายคนกลัวตายเพราะกลัวจะไปอบายเรื่อจะกลัวอะไรต่างๆที่จะมาพร้อมกับความตายเช่นความ เจ็บปวดแต่เวลาเรานึกถึงความดีนึกถึงสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้อารมณ์อกุศลเหล่านั้นเนี่ยมันคลี่คลายจางคลายไปได้แล้วมันยังช่วยทำให้ความเจ็บความปวดเนี่ยที่มันรบกวนรังควานมันเบาบางไปได้กนะ็มีคุณยายคนหนึ่งนะซึ่ง อยู่ในระยะท้ายนะก็จะเป็นมะเร็งแล้วกแกก็ปวดก็ปวดมากแกก็ร้องครวญว่าปวดพยาบาลมาถึงเนี่ยแทนที่พยาบาลจะถามคนไทยว่ายายปวดกี่คะแนนนะเพนสกอร์เนี่ยศูนถึงสิบยายปวดเท่าไหร่แกกับถามยายว่ายายชีวิตนี้เนี่ยทำอะไรแ ล, แล้วมีความสุขมากที่สุดถามเรื่องความสุข ยายตอบทันเชีย ห, หล่อพระเฮียหลวก็ถามว่าอ้ยยายจำได้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยยายใส่เสื้อเสียอะไรนุ่งผ้าเสียอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นมาสิกว่าปีแล้วแต่ยายจําได้แม่นเพราะคนอีสานเนี่ยหล่อพระนี่มันเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจเป็นเป็นมหาปิตินะเพราะเป็นการทําบุญที่มีอานิสงส์มากมีความเชื่อแบบนั้นยายก็เล่านะถึงเหตุการณ์วันที่ได้ไปหล่อพระ เพืบาลก็ชวนคุยเรื่องหลอพระคุยประมาณสิบยี่สิบนาทีนะจู่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่าหมอแกเรียกเพืบาลว่าหมอมแปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลยนะความปวดมันหายเพราะอะไรนะเพราะว่าใจเนี่ยเป็นนึกถึงสิ่งที่ตัวเองศรัทธานึกถึงการหลอพระในงานในด้านหนึ่งเนี่ยหายปวดเพราะว่าลืมปวดความปวดยังมีอยู่แต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ไปรับรู้ บางครั้งบางคราวเนี่ยนะเราโดนยุงกัดแต่เราไม่รับรู้ว่ายุ่งกัดเพราะใจเราอาจกํากลังจะเล่นลน์อยู่เรากาลังจดจ่ออยู่กับลายโซเชียลมีเดียเราก็เลยไม่รู้สึกปวดอันนี้เรียกว่าลืมปวดเพราะใจเราไปจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างในกรณีนี้ยายก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองศรัทธาประการที่สองคือว่าเมื่อเราศรัทธากับอะไรก็ตามเนี่ยจิตแจม่มจะเป็นกุศล และทําให้เกิดสุขตามมาพระุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีศรัทธาจะทาให้เกิดปราโมทคือความเบิกบานใจปราโมททาให้เกิดปิติคือความอิ่มเอิใจนําไปสู่ปัสสัตทิคือความผ่อนคลายกายและใจและทําให้เกิดสุขศรัทธากับสุขเนี่ยนะมันใกล้กันมากพอาคุณยายเนี่ยแคนึกถึงสิ่งที่เองศรัทธาแคก็มีความสุขมันไม่ใช่แค่ความสุขใจมันไม่ใช่แค่ใจที่รู้สึกว่าปวดน้อยลง เท่านั้นนะในทางวิทยาศาสตร์พบว่าเวลาคนเรามีสมาธิหรือมีมีปิติเนี่ยนะมันก็จะมีสารบางตัวหลั่งออกมาเรียกรี Neurotransmitter นะสารสื่อประสาทที่ทำให้ไอความปวดเนี่ยมันทุเลาบาบางสารสื่อประสาทเนี่ยจะได้แก้พวกเอ่อเซโรโทนินโดพามินเอ็นโดฟินก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่สามารถจะไป ระงับสัญญาณความเจ็บปวดนะที่มันออกส่งมาจากอาวัยวะที่เจ็บปวดได้<ม>ก็ทําให้ความปวดทุเลาลงดงนั้นการคิดถึงระลึกถึงบุญกุศลเนี่ยระลึกถึงความดีที่เราได้ทำระลึกถึงสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยมันช่วยทําให้ใจสงบได้นะช่วยทําให้ใจเป็นกุศลช่วยทําให้ความเจ็บปวดทุเลาลง ประการต่อมาคือการปล่อยวางนะการปล่อยวางเนี่ยพื้นฐานเลยนะคือการปล่อยวางคนรักจะเป็นลูกจะเป็นพ่อแม่จะเป็นหลานก็ตามนะซึ่งการปล่อยวางที่จริงก็สัมพันธ์กับการที่เราให้เวลากับเขาแค่ไหนถ้าเราให้เวลากับเขานะอย่างดีในะครที่เรามีสุขภาพดีเนี่ย เราจะปล่อยวางเขาได้ง่ายไม่ว่าจะม่จะเป็นลูกไมก่จะเป็นพ่อแม่ไม่จะเป็นคนรักนะเพราะเรามั่นใจว่าเนี่ยถึงแม้เราไม่อยู่เขาก็จะเอาตัวรอดได้หรือเขาก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขหรือมีคนดูแลสืบต่อจากเราแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยนะการปล่อยวางเป็นเรื่องยากเพราะว่าเราเรา เราไปสร้างนิสยัยสะสมนิสยัยยึดติดนะยึดติดลูกยึดติดลายึดติดคนรักแล้วก็รวมทั้งยึดติดทรัพย์สมบัติ ด, ด้วยแต่ น, นี้เป็นโจทย์สําคัญนะว่าถ้าว่าเรายัางใช้ชีวิตแบบติดยึดเนี่ยถึงเวลาตา ย, ยถึงเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันจะปล่อยวางยากต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางใช่แต่เดี๋ยวนี้ปล่อยวางในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าปล่อยบาลัลเลยนะฮะมันปล่อยวางที่ใจ ความรับิดชอบยังทำอยู่และยิงละละ่งเรารัผิดชอบใส่ใจดูแลเขามากเท่าไหร่เนี่ยเราจะปล่อยวางเขาได้ง่ายลูกหลานที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยในยาที่เจ็บป่วยและถึงเวลาที่พ่อแม่อยู่ในระยะท้ายเนี่ยลูกหลานหลายคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ยื้อพ่อแม่เพราะรู้ว่าการยื้อพ่อแม่เนี่ยมันเป็นการสร้างความทรมาน หลายคนเนี่ยทำใจได้นะที่จะให้แม่ได้จากไปอย่างสงบแต่จะมีลูกหลายคนที่ปล่อยวางไม่ได้จะเรียกร้องให้ยือแม่เจาะคอใส่ท่อปั้มหัวใจบอกบอกว่าทำทุกอย่างเลยส่วนใหญ่เป็นลูกที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมพ่อแม่ คนเหล่านี้เนี่ยจะมีอาการที่ทางวงการแพทย์เรียกว่ากตันย่เชียบพันนะเขาจะยื้เพราะเขาทำใจไม่ได้เนื่องจากเขาไม่เคยได้ใส่ใจไม่ค่อยได้ดูแลส่วนคนที่ดูแลพ่อแม่มาอย่างดีเนี่ยจะปล่อยวางได้ง่ายเพราะเขาได้ทาเต็มที่แล้วแล้วเขารู้ว่าถ้าไปยือ้อถ้าไม่ปล่อยวางถ้าไปยือ้อแม่จะทรมานพ่อจะทรมานนะ ฉันในฉันนั้นเนี่ยคนที่กำลังจะตายเนี่ยถ้าเขาให้เวลากับคนที่เขารักในขณะที่เขามีสุขภาพดีเนี่ยถึงเวลาปล่อยวางพอกำลังจะตายเนี่ยเขาจะปล่อยวางได้ง่ายทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันนะถ้าไม่ปล่อยวางเนี่ยมันก็ทําให้ตายไม่สงบมีคนไข้คนหนึ่งนะเป็นคุณยายเนี่ยหมอก็ เห็นว่ากำลังจะตายแล้วบินัยะท้ายก็พยายามบอกพยายามแนะให้คนไข้เนี่ยปล่อยวางที่แรกก็บอกปล่อยวางเรื่องลูกปล่อยวางเรื่องหลานปล่อยวางเรื่องอสามีเธอก็ฟังนะแต่พอบอกบอกว่าปล่อยวางเรื่องซับนี่มีอาการทึ้นทัดขึ้นมาเลยพื้นะทัดขึ้นมาเลยเหมือนกัว่ายังยอมรับไม่ได้วันรุ่งขึ้นนะอาตมาจะไปเยี่ยม คุณยายคนนี้ยบอกว่ามีเพื่อนบ้านที่เรียกก็คือกระหอบ ม, มาที่โรงพยบาบาลก็ไนดะ้มาหาคุณยายมาทำไมเขาบอกว่าคุณยายไปทวงเงินยืมเงินมาเป็นสิบปีแล้วไม่คืนสักทีคุณยายไปทวงเงินตัวอยู่โรงพยบาบาลนะแต่จ่ายไปทวงเลยต้องรีบมารีบมาเพื่อที่จะบอกคุณยายว่าเดี๋ยวจะจ ะ, จะคืนเงินให้ อย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ปล่อยวางก็ตายไม่สง บ, บนะขนาดใจยังไม่ตายนะก็ห่วงเงินแล้วนึกเสียดายเงินที่ให้เพื่อนบ้านยืมไปมันมีนะเพื่าตัวอยู่โรงพยาบาลแต่ใจเนี่ยไปแนละ้วใจไปหาไปทวงไปทวงเงินแต่นอกจากการปล่อยวางเรื่อง ลูกหลานเรื่องทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยงานการก็สําคัญนะฮะตัวอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยมีงานการรับงานการหวงปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องปล่อยเนะพราะทำไมปล่อยเนี่ยแม้งานนั้นจะเป็นงานที่ดีเป็นบุญกุศลมันก็สามารถจะมาทําร้ายจิตใจเราได้บุญกุศลหรือการทําความดีเป็นของดีนะแต่เมื่อถึงเวลาต้องปล่อยวางนะทำไม่ปล่อยเนี่ยมันจะกลับมาเล่นงานเรา นะไอ้ความดีหรือบุญกุศลที่ยึดเอาไว้เนี่ยมันก็สามารถจะมาทําร้ายจิตใจเราได้ขึ้นชื่อว่าการปล่อยวางแล้วไม่ว่าจะยึดอะไรขึ้นชื่อว่าการยึดติดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยึดอะไรก็ตามมันสามารถจะเป็นโทษในทั้งนั้นโดยเพราะเวลาตายเนี่ยในทารพุทธศาสนานี่มีตัวอย่างเยอะนะว่าคนที่เวลาก่อนจะตายเนี่ยแกยังยึดติดถือมัน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกทรัพย์สมบัติเนะีเวลาตายก็ไปไม่ดี ตายแล้วก็ไปเอาบายแต่คนนี้สมายคิดว่าการปล่อยวางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะถ้าจะไปสงบเนี่ยมันมีมากกว่า น, นั้นหลายคนเนี่ยสิ่งที่จะเป็นต้องปล่อยวางคือปล่อยวางเสียงบ่นในใจเสียงร่ําร้องในใจว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมหลายคนเจ้าสัวเนี่ยที่ฉันป่วยเนี่ยนะที่ฉันเป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่แฟร์มันไม่ยุดทำทําทไมต้องเป็นฉันนะ ฉันอุตส่าห์ดูแลร่างกายดีฉันอุตส่าห์ทำบุญมามากมายทําไมฉันต้องมาเป็นมะเร็งไม่ยุติธรรมเลยฉันอุตส่าห์นะลำบากมาตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เล็กจนแก่ถึงเวลาที่จะสบายแล้วเพราะว่าลูกละเพราะว่าลูกก็โตแล้วลูกก็ทํางานได้มีเงินเดือนดีได้เวลาที่จะพักผ่อนได้เวลาที่จะสุขสบายแล้วทําไมต้องมาเป็นมะเร็งมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์เลย ไอ้ความคิดเนี่ยมันมันซ้ำเติมคนป่วยจํานวนมากนะซึ่งทําให้มีอาการโกรธมีอาการเวียงมีอาการวีนแทนที่จะป่วยแต่ก า, กายก็ป่วยใจด้วยนะถ้าไม่สามารถปล่อยวางความความคิดแบบนี้ได้ไม่สามารถปล่อยวางเสียงบนอยู่ในหัวได้เนี่ยมันก็ตายไม่สงบนะฮะ มีตัวอย่างมากมายนะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ความเป็นทรหรือไม่แฟร์น่จนกระทั่งตายนต้องยอมรับต้องยอมรับความจริงมันมีผู้ป่วยคนหนึ่งนะเธอชื่อกันอายุสามสิบต้นต้นเธอเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะซึ่งมักจะเป็นกับคนแก่ หมอที่แรกก็ไม่เชื่อว่าเธอเป็นมะเร็งชนิดนี้ตอนที่เธอเป็นเธอเวี่ยนเธอเวีนมากทําไมต้องเป็นชั้นเกิดกับชั้นได้ยังไงทําไมคนกินเหล้าสูบบเหลี่ไม่เป็นแต่ว่าหลังจากที่เธอได้มาปฏิบัติธรรมได้กลับมาดูจิตดูใจเนี่ยใจเธอสงบทั้งที่โรคเนี่ยก็ลุกลามไปเยอะแล้ว เธอพูดไว้ประโยชคหนึ่งนะสองประโยคที่น่าสนใจมากเธอบอกว่าในขณะที่เราคิดว่าความจริงมันโหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงดังหางที่โหดร้ายกว่าเพราะมันคือคุกที่ขังใจเราไว้อันนี้เธอสวดมาจากประสบการณ์ตัวเองว่าเมื่อตัอดเล็ที่เธอไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเอาแต่บ่นวอยวายตีโปรตีพายคร่ําครวญเนี่ย เธอจะมีวันพวกความสงบสุขในใจเลยแต่พอเธอทำใจได้ยอมรับได้วันนี้คือความจริงไอ้ความทุกข์ใจมันหายไปคุกที่มันขังใจเธอไว้มันก็หายไปจิตใจเธอเป็นทิสระแม้ว่ากายในี่จะย่มแยกก่ระทุกทีแต่ใจเนี่ยนะสงบสงบลงสงบสงบขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากปล่อยวางเสียง บนวอยวายคำตีพลอยตีภายในหัวแล้วเนี่ยนะการปล่อยวางอารมณ์ที่เป็น อ, อกุศลอย่างอื่นก็สำคัญนะปล่อยวางความโกรธปล่อยวางความรู้สึกผิดโกรธเนี่ยอาจจะโกรธชะตากรรมหรือโกรธคนรอบข้างโกรธที่เขาไม่มาดูแลไม่มาใจใสเ่เราหรื อ, อาจะโกรธคนที่ เราเชื่อว่าเขาทำให้เราป่วยอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคนเราเวลาป่วยเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะหาเหตุนะเรามักจะโทษคนนั้นคนนี้แต่ที่มีความโกรธอยู่เนี่ยนะมันก็ทำให้ไม่สงบและยิ่งทำให้เจ็บปวดมากขึ้น ความเจ็บปวดหลายอย่างเนี่ยหลายครั้งเกิดจากความโกรธนะฮะมีผ่้หญิงคนดนึงแกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็หลังจากที่ผ่านการฉายแสงผ่านการฉีดคีมโมครบครบโดสเธเธอก็ยังบอกว่าปวดปวดมากๆเลยแต่หมอและพยาบาลสังเกตเวลาเธอเดินเหินเนี่ยเหมือนคนปกติวันหนึ่งพยาบาลก็เลยลากเก้าอี้มาแล้วคุยกับเธอแต่ส่วนใหญ่เธอเป็นคนคุยแลคุยอยู่นานเป็นชั่วโมง และสิ่งที่เธอคุยมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของสามีและลูกชายเธอพูดถึงสองคนนี้ด้วยความโกรธด้วยความด้วยควต่ําใจเพราะว่าไม่มาอยู่หนังขังขอบเธอไม่มาสนใจแยแสเธอเลยเจ้บาลก็ดีนะเจ้าบาลก็ฟังฟังด้วยความใส่ใจนะไม่สอดไม่แทรกไม่สอนสอ น, นะฟังด้วยความใส่ใจจริงเราะว่าพอพูดจบเนี่ยคนไข้รู้สึกเลยแนละ้วมันความปวดมันหายไปเยอะ แสดงว่าเราใช้วความปวดก้อนใหญ่ก้นหนึ่งมันเกิดจากความโกรธโกรธสามีแล้วโกรธลูกชายแต่พอได้พยาบาลนี่ได้นั่งฟังและแกได้ระบายนะความปวดก็ทุเลาลงอันนี้ก็เป็นการปล่อยวางโดยไม่รู้ตัวนะฮะปล่อยวางเพราะมีน ม, มีตัวช่วยนะแต่มันเชื่อเลยนะว่าความโกรธนี่มันทําให้เกิดความเจ็บปวดได้มากมันไม่ใช่ปวดแค่ใจั้่ปวดกายด้วย แต่ว่าถ้าเราไม่มีใครช่วยไม่มีใครจะมา น, นั่งฟังเราเนะ่ยตมาคิดว่าการให้อภัยนะการให้อภัยการแผ่เมตตาตยเขาเนี่ยจะช่วยเมื่อจะตายแล้วเนี่ยนะจำเป็นมากเลยนะที่เราต้องให้อภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเนียมการขอโอโหสีเนี่ยก่อนตายเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะ แต่แน่นอนถ้ามีเจ้ า, จาตัวที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาขอโทษขอโพยยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่เราจะไปหวังให้ใครเนี่ยจะมาทําอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้เราก็ต้องรู้จักแก้ปัญหนาของเราเองถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยและอยู่ในภาวะเช่นนั้นให้อภัยครับและถ้ารู้สึกผิดก็ขอเข้ามาคนเรามีความรู้สึกผิดด้วยสาเหตุแลปะปัจการเช่นอาจจะเคยทํำไม่ดีกับใครบางคนอย่างเช่น คนไข้ที่จะมาพูดเนี่ยที่ตาค้างเนี่ยนะทั้งที่เอาแย้งต่านี่แย่หมดแล้วเธอเป็นมะเร็งปอดพอลูกพอรุ่นน้องมามาเยี่ยมเธอก็โล่งล่ง ก, กำลังเธอเป็นมะเร็งปอดพูดยามากนะแต่เธอก็โล่ ล, กกล่งกําลังแล้วก็เอ่ยปากขอโทษขอโทษว่าเธอรู้สึกผิดที่ทําไม่ดีกับเพียบาลรุ่นน้องคนนั้น พอเข้าใจว่าเธอเป็นกิ๊กกับสามีแต่ตอนนี้เข้าใจความจริงแล้วยังรู้สึกผิดนะก็ออยังตายไม่ได้จนกว่าจะได้ขอโทษพยาบาลคนนั้นก็บอกว่าหนูก็เข้าใจพี่นะหนูไม่ไม่โกรธไม่ถือโทษโกรธเคืองพี่เลยหนูเข้าใจพี่เธอ ไ, ได้ฟังเช่นนี้เธอก็สบายใจมันก็ยกภูเขจาจ่อโอบได้กล่าวคําขอขามาเสร็จเธอก็หลับตานะแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงเธอก็ไป ก็ช่วเธอไปสงบสงบเพราะอะไรเพราะว่าได้ปล่อยวางความรู้สึกผิดนะที่ทำไม่ดีความผิดบางอย่างเกิดจากการที่ไม่ได้ทำตามที่สัญญาอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะตัวอย่างรับปากใครไปไปแล้วไม่ได้ทำมันก็รู้สึกผิดอาจจะรู้สึกผิดที่ว่าตัวเองเป็นภาระของคนดูแล มีผู้ชาย่าหนึ่งนะแกก็เป็นเป็นเส็จในสมองแตกเป็นอัมพาตตลอดเวลาที่เจ็บป่วยแกก็จะมีอาการงุกหิตมากโดยเพ่อกับภรรยาก็ไม่เข้าใจเป็นอะไรเนี่ยจกนกระทั่งพอได้มีการพูดคุยกันระหว่างพยาบาลกับคนไข้ก็เลยรู้ว่าแกรู้สึกผิดนะรู้สึกแย่กับตัวเองที่ พยายาสามีเนี่ยภรรยาเนี่ยเคยเคยแนะนําเคยตักเตือนแล้วเรื่องการกินอาหารอยากกินอาหารที่มันมีไขมันมีน้ําตาลเยอะนะกินอาหารที่มันเป็นเนื้อนะตัวทั่งร่างกายก็อ้วนขึ้นอ้วนถึงแกก็ไม่สนใจนะถึงเวลาตัว เ, เป็นนํามาพึ่งอวพาดเนี่ยก็กลายเป็นภาระเป็นภาระของภรรยาเป็นภาระของใครต่อใคร รู้สึกผิดนะั้นว่าตัวเองเนี่ยนะทำตัวเองจนกลายเป็นภาระเวลาเห็นหน้าภรรยาจะรู้สึกแย่แล้วก็ไอ้ความแย่ก็มันก็ระบาดมาเป็นความโกรธคนเราพอมีความทุกข์อยู่ข้างในเนี่ยมันก็แปลสภาพเป็นความโกรธได้ไงแต่พอภรรยาเนี่ยพอรู้ว่าอะไรคือปมของสามีก็พยายามพูดจนกระทั้งสามีเนี่ยยอมรับได้ว่า ไอการเจ็บป่วยของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระ ก, กับภรรยาภรรยา พ, พอใจที่ได้ดูแลเขาก็รู้สึกดีขึ้นความสัมพันธ์ของสองคนนั้นก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ทำให้ความเจ็บป่วยนะมันไม่ได้มันไม่ได้เต็ไมไปด้วยความทุกข์ทรมานทางจิตใจเหมือนแต่ก่อนอันนี้คือสิ่งที่ต้องปล่อยวางนะการรู้สึกผิดนะ ปล่อยวางอีกอย่างคือปล่อยวางความคาดหวังหลายคนเนี่ยไม่ได้กลัวตายแต่ว่ารู้สึกไม่สบายใจถ้าตัวเองจะแยกไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าใครมาเยี่ยมเ้าก็บอกว่าคอยหายวัยนะหายวัยนะทำใจดีๆไว้นะเดี๋ยวก็จะหายวันหายคืน สู้ๆนะคำพูดเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนดีนะแต่ว่าสหรับคนไทยบางคนเนี่ยมันเป็นภาระเพราะเขาจะรู้สึกว่าเข า, เข า, เ, ขาเขาจะรู้สึกแย่ถ้าว่าเขาเนี่ยร่างกายเขามันมันไม่ดีขึ้นนะหลายคนพยายามอยู่ให้ได้เพื่อไม่ให้เพื่อให้คนที่ ยังมีชีิดอยู่เพื่อให้ลูกหลานเนี่ยเพื่อไม่ให้ลูกหลานเนี่ยเป็นทุกข์นะเขาเองก็พร้อมตายแต่เขารู้สึกว่าเขาจะรู้สึกผิดก็ได้นะถ้าเกิดว่าเขาแย่ลงไปเรื่อยๆสวนทางกับความคาดหวังของคนที่ดูแลหลายคนรู้สึกแย่ถ้าหากว่า ทำตัวให้คนไข้เห็นให้ให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองอ่อนแอมีคนไข้คนนึงบอกว่าเนี่ยที่จรงคนไข้หลายคนนะเขาบอกว่าคําพูดหนึ่งที่เขาไม่ชอบมากเลยคือคำาำพูดว่าสู้ๆเพราะหนึ่งมันเหมือนกับว่าเขายังสู้ไม่พอมันเป็นคําที่เหมือนกับมีคําตํำหนิเขาอยู่ไกลๆยังสู้ไม่พอหลายคนจะพูดขึ้นมาในใจหรืขึ้นมาใน ใ, นใจว่าแค่นี้ กูก็ไม่ไหวยอยู่แล้วนะหรือว่าลองมาเป็นกูเถนะแต่บางคนเขาสึกว่าการที่เขาพยายามเข้มแข็งให้เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยรวมทังให้พ่อแม่เห็นเนี่ยมันเป็นความเหนื่อยอ่อนมากเขาอยากจะอ่อนแอบ้างอยากจะเป็นตัวเองบ้างแต่เขาเป็นไม่ได้เพราะใครๆก็บอกว่าสู้ๆนะใครๆก็ฝากความหมอว่าเขาจะดีขึ้นเวลาเห็นเขาแย่ลงเพื่อนๆก็เสียใจเพราะพ่อแม่ก็หน้าตาหอเหี่ยว ก็เลยต้องพยายามทำตัวให้เข้มแข็งแต่มันกัดกร่อนมันทําให้เขาแย่ลงอันนี้ก็ทําให้เกิดความทุกข์กับผู้ดูแลมากกับคนป่วยมากทีเดียวดังนั้นบางครั้งเนี่ยําเป็ น, นีะต้องปล่อยวางความคาดหวงังเขาจะคาดหวังเรายรนะอย่างไรนะก็ก็จะ่ไปเอามาเป็นข้อที่ทําให้พี่ตกกังวล ก็จะยิ่งทำให้ทุกข์มากขึ้นบางทีผู้ดูแลต้องช่วยนะที่จะบอกให้เขาเนี่ยปล่อยวางหรือไม่ต้องไปคำนึงถึงความคาดหวังบางทีอจต้องปล่อยไฟเขียวด้วยซ้ำให้ไฟเขียวด้วยซ้ำคุณยายคนหนึ่งนะรักษาที่ตัวที่โรงพยาบาลแล้วสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็หัวใจหยุดเต้นก็มีการปั๊มพอปั๊มขึ้นมาเนี่ย แกก็เหมือนกับเป็นผักไม่พูดอะไรเลยไม่ตอบสนองแต่นื่องจับเป็นคนที่มีนิสัยดีมากนะเป็นคนเอื้อเฟื้อเป็นคนเสียสละก็จะมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยอะมากเลยญาติญาติก็มาทุกคนก็จะพูดคล้ายกันว่าหายไปไวนะจะได้กลับไปคุยไปเล่นกันเหมือนเดิมแต่คุณยายก็ไม่ตอบสนอง ผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยลูกชายซึ่งดูแลแม่วันหนึ่งเนี่ยพลิกตัวแม่เห็นน้ําตาไหลเห็นแม่น้ําตาไหลสังคร o r i z ก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่แม่เหนื่อยแม่ไม่ทรมานแม่ถ้าแม่ไม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมนะเสร็จแล้วก็ชวนแม่นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอย่างที่เคยทําทุกวันแต่คราวนี้ทําไปได้ห้านาทีสัญญาณชีวิของแม่ก็แบนราบไปเลยแปลว่าอะไรแปลว่า แม่นี่นะคงพร้อมจะตายแต่ที่อยู่นี่ก็อยู่เพื่อลูกหรือว่าอยู่เพื่อเพื่อนบ้านนะเขาอยากจะให้เราหายเขาอยากจะให้เรากลับไป mm hmm. ก็พยายามที่จะสู้กับความเจ็บป่วยนะแต่มันสู้ไม่ไหวร่างกายมันไม่ไหวแต่ก็ไม่ยอมตายแต่ใจคงจะทุกข์นะพอได้สัญญาณไฟเขียวจับลูกนะไปเลยอีกรายนึ่งนะอาจารย์อาจารย์ประมาวังโสณท่านเป็นพระชาวกรีซแล้วก็ไปสร้างวัดที่ออสเตรเลีย ถ้าไปรู้สึกหลวงพ่อชาถ้าเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยได้รับหนึ่งไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งนะชื่อสตีฟสามีภรรยาคู่นี้ก็คงใกล้ชิด ก, กับท่านนะคงจะไ ป, ไปอุปถัมภ์ที่วัดอยู่บ่อยๆสตีฟเนี่ยป่วยมานานแล้วแล้วไม่มีอาการดีขึ้นแล้วก็อยู่แต่เพ้อโคมา่าพอท่านไปถึงนะท่านโอภาปอาศายสัก พ, พัก ท่านก็ถามภรรยาว่าให้อนุญาตสติไปหรื อ, อยังอนุญาตให้สติไปหรื อ, อยังภรรยานี่อึ้งเลยนึกขึ้นมาได้ได้สติขึ้นมาก็ขึ้นไปบนเตียงแล้วก็กอดสติแล้วก็พูดกับสติว่าสติถ้าเธอจะไปก็ไปได้แล้วนะ รากว่าสักพักสติไปเลยแปลว่าอะไรคสติปอยู่เพื่อภรรยาสติยังไม่ยอมตายเพราะคิดว่าถ้าตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นความผิดของเขาถ้าเขาตายเป็นความผิดของเขาเพราะทําให้ภรรยาเศรา้าโศกคนเหล่นี้เนี่ยจะพยายามสู้กับความตายและจึงไม่ยอมตายตั้งที่ร่างกายนี้แย่แต่พอภรรยานี่ให้สติไปสติไปเลย คนี้ไปด้วยใจที่สบายแล้วเพราะว่าไม่ต้องไปรู้สึกผิดแล้วที่จะต้องตายหลายคนรู้สึกผิดนะถ้าจะต้องตายนะเพราะนั้นต้อ ง, องและทําให้ความรู้สึกผิดนี่ทําให้เขาเนี่ยอยู่อย่างทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนไข้แบบนี้นะต้องปล่อยวางนะฮรับ้ปล่อยวางความคาดหวังนะเมื่อถึงเวลาไปก็ไปนะ หรือถึงถ้าเราเป็นผู้ดูแลเราก็ต้องตระหนักชัดว่าที่คนไข้ยอยู่เนี่ยก็ <c oughs> ไม่ได้อยู่เพราะเขาแบกความคาดหวังของเราหรือเพราะเราไปเรียกร้องเขาอยู่เรียกร้องให้เขาหายเรียกร้องให้เขาเข้มแข็งทั้งที่ร่างกายเขามันไม่ไหวแล้วนะปล่อยวางอย่างนี้นะปล่อยวางความเจ็บปวดความเจ็บปวดเนี่ยไม่มีใครชอบนะ แต่สังเกตนะมเ mm hmm. วลาเราเจ็บปวดตรงไหนเนี่ยใจเราไปจดจ่อตรงนั้นมากเลยร่างกายเราส่วนอื่นเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดใจมันไม่สนใจมันจะไปจดจ อ, อยตรงที่เจ็บปวดนั่นแหละ mm hmm. เวลาปวดเวลาเมื่อยนะบางทีเมื่อยตรงขาหรือเมื่อย mm hmm. ที่ก้นกบนะที่อื่นเนี่ยปกตินะใจมันทรั้ที่ไปสนใจไอ้เกอร์ซที่ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยนะมนไปสนใจไอ้ห่เปอร์นเนี่ย ที่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยทั้งที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเราไปจดจอนะอันนี้พูดว่าเป็นเพราะเราเนี่ยใจไปยึดไปยึดเอาความเจ็บปวดนะของกายเอาไว้ซึ่งมันทําให้ใจนี่ปวดมากขึ้นความเจ็บปวดเนี่ยก็สามารถจะทําให้ทุรนทุรายได้ดังั้นต้องรู้จักปล่อยวางความเจ็บปวดด้วยนะ แต่คนเราถ้าไม่ได้ฝึกใจนะมันก็มันก็ปล่อยวางได้ยากนะอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเรายิ่งยึดติดนะสมมติเกิดมีเสียงดังเสียงโทรศัพท์ดังในห้องเนี่ยยิ่งเราไม่ชอบเสียงโทรศัพท์นั้นนะเสียงเิ่งโทนนั้นนะใมันยิ่งไปพุ่งไปจดจ่อที่เสียงนั้นบางทีฟังเสียงอะตมาไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่เสียงโทรศัพท์อาจจะเบากว่าเสียงอะตมาเวลามือเราถูกของเหม็นนะ เช่นน้ำปลาหรือปลาลา้าหรือสีหรือขี้หมาเนี่ยเราไม่ชอบใช่ไหมมันกินเหม็นเราทำยังไงฮะเราก็ถู ถ, ถูถูเสร็จก็ทํางาเอามาดมยิ่งเหม็นเท่าไหร่ยิ่งดมนะถูเสร็จทํางานดมถูใหม่ถูให ม, หม่ดมทําไมนะยิ่งเหม็นเนี่ยทำไมกลับยิ่งดมยิ่งไม่ชอบยิ่งยึดติดนะยิ่งเจ็บปวดนะยิ่งอยากผักสายมันยิ่งยึดติด อันนี้เรียกว่านะมันไม่มีสติอันนี้เรียกว่าจิตมันทุกข์เพราะไปยึดติดกับความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาทางกายสิ่งที่จะช่วยได้เนี่ยนะสมาธินะฮะแล้วคุณหมอมาาเคยเล่าว่าไปเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์แล้วก็มะเร็งของผู้ป่ว ย, ยก็ลามไปจนถึงกระดูกแล้วคนไข้เนี่ย นอนไม่ได้เนะี่ยต้องนั่งนั่งก็นั่งแบบงองอก่องอิงเห ง, งือเนี่ยเป็นเม็ดตัวโตเลยตัวนิสัดเรียกร้องแต่จะเอายาระงับปวดหมอก็ให้แล้วนะแต่ว่าจะให้ถี่กว่านั้นไม่ได้มันเป็นอันตรายคุณหมอมาแลร้วก็เลยถามว่าคนไข้เนี่ยเคยทำสมาธิไหมคนไข้บอกไม่เคยอางั้นคุณหมอก็จะสอนนะให้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโท คนปกติเนี่ยขนาดหายใจเข้าพุทายจ อ, อกโทเนี่ยห้านาทีก็อาจจะทำไม่ไม่ถึงได้ซ้ำจิฟุ้งซ่านมากยิ่งคนเจ็บปวดเนี่ยจะทําได้ถึงห้านาทีเฉลิมบอกว่าทำได้นะห้านาทีก็แล้วสินาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วก็ยังนั่งอยู่แล้วยิ่งนั่งยิ่งดีนะจนทั้งนั่งถึง4ี่สบห้าินาทีพอเปิดตาขึ้นมาเนี่ยก็มีสีหน้าแจ่มใสป่าไปสีชมพู ấy, เวงื้อนี่ก็หายไป ความปวนมันทุเราไปเยอะเลยนะเพราะอะไรนะเพราะว่าจิตเนี่ยไปมีสมาธิอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตไปมีสมาธิหรือไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจมันก็วางความป่วนลงเพราะว่าจิตเนี่ยมันเหมือนกับคนแขนคนแขนเดียวคนมือเดียวมันรับได้แค่อย่างเดียวอย่างอีจารย์ตามาเนี่ยถ้ามือจับไมโครโฟนเนี่ยนะจะไปจับอย่างอื่นก็ไม่ได้นะถ้าจะจับขวดน้านนะก็ต้องวางไมโครโฟนก่อน จิตถ้ามันจะไปจดจ่อยที่เราหายใจมันก็ต้องวางความปวดก่อนนะอันนี้คือเหตุผลประการหนึ่งที่ทําให้คนไข้เห็นนะพอทําสมาธิแล้วเนี่ยสึกว่าจิตใจเนี่ยแล้วก็ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายอันนี้เป็นวิธีการที่เรามาเรียกว่าปล่อยวางความเจ็บปวดวิธีหนึ่งนะความเจ็บปวดเนี่ยเราต้องยอมรับรับนับถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่หายยาเอาไม่อยู่ แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่ามันปวดแต่กายใจไม่ปวดปวดแต่กายจะไม่ปวดเพราะาใจเนี่ยมันวางมันวางความเจ็บปวดของกายลงนะอาศัยสมาธิหรืออาศัยสติก็ได้นี่อีกตัวหนึ่งนะสติเนี่ยนะมันทําหน้าที่เหมือนกับว่าทําให้จิตเนี่ยมาเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็น หลวงพ่อคำเข็นหลวงพ่อธรรมาท่านจะสอนอยู่บ่อยๆนะว่าเห็นอยากเข้าไปเป็นนะได้เวลาที่ท่านเจ็บปวดเนี่นะนะท่านเจ็บปวดเนี่ยหมอไปท่านเป็นมะเร็งนะแล้วหมอก็พบว่าไอต้ตรงตรงตับท่านเนี่ยมันมีมันมีมันมีเนื้ออยู่มันมีเนื้อไปกระจายหมอต้องการตรวจหมอก็ไปกดที่ท้องแล้วก็ถามว่าท่านปวดไหมท่านบอกปวดปวดเกินร้อยเลยทั้งหมด ท่ามอกเลยถามว่าปวดแล้วทําไมไม่รอ้องท่านก็ตอบว่าเนี่ยร้องทําไมให้ขาดทุนนะแล้วท่านอธิบายว่าเนี่ยไอ้ความปวดมันไม่ลงโทษเราแต่การเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเราท่านบอกความปวดนั้นนี่มันเป็นอาการที่เอาไวด้ดูเอาไว้เห็นอย่าเข้าไปเป็ น, ปนคนเราจะเห็นความปวดได้ก็เพราะมีสติเพราะถ้าไม่มีสติมันจะเป็นเป็นผู้ปวดนะ ใครที่เจริญสติเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เฉพาะอารมณ์มันไม่เฉพาะเวทนาไม่เฉพาะความปวดแต่อารวมถึงอารมณ์ต่างๆด้วยเช่นความโกรธความเครียดถ้าเรามีสติเนี่ยจิตมันจะไม่เข้าไปเป็นผู้เครียดมันเหมือนกับว่ามันไม่กระโจนลงน้ําอ่ะมันจะเหมือนกับว่าอยู่อยู่บนฝั่งไม่กระโจนลงน้ํามีอารมณ์ปวด ถมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์เครียดเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันไม่เข้าไปยึดตนเกิดเป็นผู้โกรธผู้เครียดสติมันทําให้จิตเนี่ยแค่เห็นเฉยเฉยไม่เป็นผู้ไม่เข้าไปไม่เข้าไปเป็นเราะฉั้นะมันเอามาใช้กับเวทนาได้เอามาใช้กับความเจ็บปวดได้เวลากายมันปวดเนี่ยก็เห็นมันซักนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เรียกว่าเวทนาลุปัสนา ก็คือเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดนะก็คือจิตมันก็แค่เห็นมันแค่รับรู้ความปวดแต่ไม่ค่ไม่ค่อยไปยึดความปวดนั้นจนเกิดผู้ปวดขึ้นจนเกิดความรูสึวกูปวดกูปวดนะนี่สําคัญมากเลยนะฮะเพราะแม่ช่วยทําให้แม้กายปวดยังไงใจก็สงบได้สมัยที่หลวงปู่บุดายังมีชีวิตนะหลวงปู่บุดาทาวรโรเนี่ย ท่านมรณภาพไปทั้งยิบสี่ปีที่แล้วตอนที่มรณภาพาก็อายุร้อยปีเรื่องนี้คนจะเกิดขึ้นมาสักห้าสิบหกสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านไปผ่านิ้วนะเอานิ้วออกสมัยนะั้นมันไม่มีอุตสาว์ผ่าเสร็จนะสิบห้านาทีท่านก็บอกหมอว่าเขายัางชั่วแล้วไม่เป็นไรแล้วหมอพยายบาลก็ประหลาดใจคือท่านจะกลับวันละ หมอเพียาบาลก็สงสัยว่าหลวงปู่ไม่ปวดหรือคนที่ปวดคนที่ผ่านน้อยกว่าท่านยังบอกว่าปวดเลยนะหลวงปู่ไม่ปวดทำไงถึงไม่ปวดหลวงปู่บอกปวดสิทำไมไม่ปวดร่างกายหลวงปู่เหมือนคนทั่วไปเนี่ยแต่ว่าจิตใจมันไม่ได้ปวดไปกับร่างกายด้วยนะอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่เรียกว่ากายปวดใจไม่ปวดใจไม่ปวดก็อาจจะเพราะหนึ่งมีสตินะ มันก็เห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดเรื่อที่สองเนี่ยมีปัญญามีปัญญาคือเห็นว่ามันไม่มีตัวกูมันไม่มีเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมันมีแต่กายกับใจนะเวลากายปวดเนี่ยก็ไม่มีความสําคัญไม่หมายว่ากูปวดคนธรรมดามันมีความสาคัญบ้างหมาว่ากูกูตลอดเวลามีกูเป็นผู้เดินมีกูเป็นผู้นั่งมีกูเป็นผู้โกรธมีกูเป็นผู้เศร้าน แต่ว่าคนที่เห็นความจริงว่าจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีกูมันมีแต่กายกับใจเวลากายปวดก็กายปวดนะเวทนาเกิดขึ้นที่กายมันไม่มีกูเป็นผู้ปวดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตมันก็เลยไม่ทุกนะอันนี้ก็การที่เห็นเข้าใจเรื่องรูปนามเข้าใจเรื่องกายกับใจชนิดที่ว่ามันไม่มีตัวกูเนี่ยมาเป็นเจ้าของกายกับใจเนี่ย อันนี้ก็ต้องอาศัยปัญญานะฮะซึ่งถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความปวดเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยไม่สามารถจะบีบคั้นจิตใจจนทาให้เกิดความว่าวุ่นกระสรับกระส่ายก็เป็นธรรมะที่สำคัญอีกประการหนึ่งในตามพุทธศาสนาเนี่ยนะนจะมีคำพูดนะซึ่งมาจากพุทธพจน์ว่ากายป่วยใจยไม่ป่วยซึ่งอันนี้ก็เป็น มีที่มาจากการที่ผู้เจ้าเนี่ยไปเยี่ยมคฤรหัตอุบาสกคนหนึ่งชื่อนกกุลบิดานกุลบิดาป่วยหนักมากนะผู้เจ้าก็ไปไปสนทนาธรรมแล้วก็บอกนกุลบิดาว่าให้ท่านเนี่ยให้เธอพิจารณานะหรือพิจารณาว่าแม้กายป่วยใจไม่ป่วยแม้กายกระสับกระสแม้กายถูกโกรครุมเร้าก็อย่าให้ใจถูกโกรครุมเร้านกกุลบิดาฟังแล้วก็เกิดปิติ นะแล้วก็พอพระเจ้าเสด็จกลับไปนักกุมิดาค็ถามพระสารเบุตรว่าเนี่ยทาอย่างไรเนี่ยกายป่วยใจไม่ป่วยพระสารเบุตรก็อธิบายว่ากายป่วยและใจไม่ป่วยเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อบุคคลเนี่ยอยู่ด้ว ย, ยดูโดยไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่ารูปนี้เป็นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรูปมันแปรปรวนไปก็คือจะป่วยเนี่ย บุคคลนั้นย่อมไม่เกิดความโศกความเศร้านะความโศกความร่ำไล ร, รำพันความทุกโธมนัดหรือความขับแคลนใจการที่จะเห็นสิ่งช่วยช่วยทําให้เห็นว่ารูปไม่ใช่ของเราเนี่ยอันนี้เรียกปัญญานะปัญญาเนี่ยถ้าเราเห็นถ้าทําให้เห็นนะว่าไอ้รูปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะรวมทั้งเวสนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเรียกลมลมวัดใจเนี่ย รูปไม่ใช่ของเราใจไม่ใช่ของเราเมื่อรูปมันแปลปวนไปก็ไม่มีความทุกข์เมื่อใจมันแปลปวดไปก็ไม่มีความทุกข์นะอันนี้คือการเห็นด้วยปัญญานะซึ่งจะช่วยทำให้สามารถอยู่ความเจ็บความปวดได้โดยที่ใจไม่กระสับกระส่ายถึงเวลาตายก็ตายสงบพุทธเจ้าเนี่ยพระไุยก็เคยกล่าวเช่นนี้นะกับ อนาถปิติกาอนาถปิติกาเศรษฐีเนี่ยในเวราสุดท้ายก็มีทุกขเวทนามากนะพระสารูปก็ไปพูดนะไปแนะนําอนาถปิติกาเศรษฐีว่าไอ้ความเจ็บความป่วยความตายเป็นเรื่องธรรมดาสักวันหนึ่งความตายก็ต้องเกิดขึ้นกับเราเราขอให้ท่านพิจารณาว่าตาหูจมกูกลิ้นกายใจ รวมทั้งวิญญาณที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะรูรกระดกกลิ่นเสียงสัมผัสธรร ม, มารมณ์และวิญญาณที่อาศัยรูประกลิ่นเสียงสัมผัสธรร ม, มารมก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อนั้นเนี่ยนะก็จะไม่เป็นทุกข์นะความตายนะมันก็จะไม่มาบิดคั้นจิตใจ อันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นคำสอนที่เชื่อเห็นนะว่าปัญญาที่เข้าใจความจริงของขันห้าของกายและใจเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ใจสงบได้แม้ว่ากายมันจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามและถึงเวลาจะตายก็ไม่ทุกนะเพราะเห็นชัดว่าที่ตายเนี่ยมันไม่ใช่เราตายมันเป็นเพียงแต่ รูปกับนามกายกับใจหรือขันธ์ธาเนี่ยมันแตกดับไปคนที่มีปัญญาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเรามีแต่รูปกับนามกายกับใจหรือขันธ์ธาเนี่ยมันจะไม่มีความสึกว่ากูกําลังจะตายนะมันเป็นเพียงแค่ขันธ์ธาที่แตกดับไปมันไม่มีใครตายผู้ยนันคือมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตาย มันมีแต่ความเจ็บป่วยแต่ไม่มีผู้เจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นกับกายแต่ใจก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรไปด้วยปัญญาเป็นเนี่ยที่ทำให้ใจสงบนะแต่ถ้ามีปัญญาจริงก็จะก็จะรู้ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่มีไม่มีผู้ตายนะความตายก็ไม่มีความตายเป็นสมมุติที่ใช้เรียกการเปลี่ยนสภาพนะอาจจะเปรี่ยนได้กับว่า ความตายของคนคนหนึ่งอาจจะเปลี่ยนเหมือนกับก้อนน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วน้ำเมื่อเราปล่อยเวลาไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยก้อนน้ำแข็งก็หายไปแต่ถามว่ามันไปไหนที่จิมมูสแค่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำก็ยังอยู่ในแก้วเดิม เวลาก้อนน้าแข็งหายไปเราไม่เรียกว่าก้อนน้าแข็งมันตายใช่ไหมฮะเราแค่เรียกว่ามันเปลี่ยนสภาพน้ําที่อยู่ในบอ่อแล้ววันดีคืนดีมันหายไปเราก็ไม่เรียกว่าน้ํามันตายมันเปลียนแค่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นกลายเป็นไอน้ําแล้วกลายเป็นเมฆในที่สุดวันดีคืนดีเมฆนั้นก็หายไปเราไม่ได้เรียกว่าเมฆมันตาย มันเพียงจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นหยดฝนที่ตกลงมาความตายเนี่ยมันเป็นแค่สมมุติของปรากฏการณ์เช่อเลยว่าการเปลี่ยนสภาพนะร่างกายนะมันก็แค่เปลี่ยนสภาพกลับคืนสู่ดินน้ำไฟลมเวทนาสัญญาสัญญาบินจานท์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะตระหนักว่าจริงๆความตายเนี่ยมันไม่ใช่การแตกด่ามมันเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพ มันมีคนอุปมาไว้ดีนะมันเขาอุปมาว่าลูกคลื่นเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยลูกคลื่นลูกน้อยๆเนี่ยนะกำลังเลื้งล่าอยู่ในกลางทะเลนะมันมีความสุขนกับอากาศยามเช้าแล้วกับสายลมแต่จู่ๆมันก็เกิดความตื่นตกใจขึ้นมาเมื่อมันเห็นคลื่นลูกที่กำลังเลื่อนคลื่นลูกที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไปกระแทกกับ ชายฝั่งแล้วก็สลายหายไปมันตกใจแน่เละว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับฉันหรือฉันจะต้องกระแทกกับชายฝั่งแล้วสลายหายไปอย่างนั้นหรือมันต้องเกิดขึ้นกับฉันแน่นอนเลยลูกคืนตกใจมากสักพักลูก้คืนนี่ตามมาทีหลังก็ถามว่าทาไมเธอเศร้าลูกคืนก็บอกว่าเนี่ยเธอไม่เห็นหรือไงเธอไม่เข้าใจหรือว่าเนี่ย อีกไม่นานเนี่ยเราก็ต้องกรนะะแทกกับชายฝั่งนะละสลายหายไปลูกคลื่นที่ตามมาทีหลังก็บอกกับลูกคลื่นลูกแล้ว่าเนี่ยเธอไม่เข้าใจหรือว่าเราไม่ใช่แค่ลูกคลื่นนะเราเป็นส่ว น, นของมาหาสมุทรด้วยนะเมื่อกระแทกกับชายฝั่งนะมันก็ไม่ได้ไปไหนนะก็กลับเข้สูม่มหาสมุทร์แล้วก็รอที่จะกลายเป็นลูกคลื่นลูกใหม่ในเวลาต่อไป ถ้าเรามองชีวิตแบบนี้บ้างนะจะพูดว่าความตายมันไม่น่ากลัวนะมันก็เป็นแค่การเปลี่ยนสภาพอันนี้แหละก็คือการมีปัญญาเห็นความจริงนะซึ่งถ้าเราเข้าใจบแบบนี้เนี่ยไอ้ความตายนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวต่อไปก็สามารถที่จะเฉลิญกับความตายได้ด้วยใจที่สงบอ่าก็ อาตมาก็คงจะกล่าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะ